เหมือนพระอัญญาคนณัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นกระแสรธรรมเข้าใจในกระแสรธรรมยอมรับเต็มร้อยอย่างจริงจีสมุทัยธรมมังสับบันตังนิโรธธรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นคือกองทุกทุกทนอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอนิจจ์เป็นทุกขังเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจ ง, บ, งบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตา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 ร่างกายของเรามีอ้วนเท่าเดิมไหมผอมเท่าเดิมไหมอ้วนอ้วนผอมผอมสุขเท่าเดิมไหมทุกข์เท่าเดิมไหมทุกทุกข์สุสุขสุขสุขสทุกข์ทุเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าเดิมไหมเจ็บไข้ได้ป่วยหนักกว่าเดิมไหมมันไม่เคยคงที่ไม่มีอะไรเท่าเดิมเปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละด้วยเหตุที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นภาวะความเปลี่ยนไปอย่างนี้ ท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันทูกหมดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอนุ่ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่ส่งกระแสจิตตามดูเห็นจิตของพระัญญาโกธัญะเข้าไปสัมผัสกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรม ท่นอทานอั า, นออนาสิวัตโพคุันโยอัยาสิวัตโพคุันโยกนทัญยะได้รู้แล้วหนอกนทัยะได้รู้แล้วหนอ